ทิบสี่สามมันเนมที่บวเข้ามาในพระพุทธศาสนาตามหลักทำฝังสอนท่านสาวเอาไว้จะมีสองหนยคือสมัชเาแอท่านถาดเทวและวิจัรสนาทุทะท่านถัเทวได้แก่นะศึกษาคนขวายสำหรับํำรา เรื่องวิปัสสนาทุรหมายถึงที่ศึกษามาเนนทีม่มีการศึกษาจากสำหรับสำราว่าศึกษาจากคูบาอาจารย์ศึกษาตามหลักธรรมชาติพวกเราเของไอชื่อว่าวิปัสสนาทุรและเป็นพระสมฐาน การศึกษาวิปัฒนาธุระของพวกเราทุกท่านทุกคนก็ศึกษาจากเหตุผลที่ตนของตนจะทับวิปัฒนาธุระหมายถึงว่าปัญญาที่จะขับไล เรื่องีิเรนปัญหาออกจากใจผู้ฝึกอบรมทางวิปัสสนาธรุระเป็นผู้ที่ตั้งหน้าอยากจะออกจากโลกมายินดีในการเรียนไ้ตใยเกิดต่อไปนักบวชมีสองจำพวกอย่างที่ว่ามาคือวพวบสีศึกษา คันธุระละือปัจจนาธุร ะ, ะ, ระเมื่อศึกษาทางวิปัจจนาธุระที่ตั้งหน้าศึกษาธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับจิตของนตนกายของตนวิจ า, าของตนว่าดีชั่วได้เสียอย่างไรเราผู้ที่ตั้งหน้าปฏิบัติทางวิปัจจนาธุระ ต้องสือดูทุกระยะทุกเวลาเพราะจิตใจเป็นของละเอียดอ่อนถ้าหากมีสิ่งขัดข้องนิดหน่อยก็จะต้องหยุดเดิมหรือเสียหายได้เหมือนกันกับเืียงจากที่ละเอียดมีฝุ่นละอองนิดหน่อยเขไปจิดไปตาะเข่า เพื่องจากจะเดินไม่ได้ในเหมือนเรื่องจับหยัดส่วนจิตใจที่ละเอียดก็เหมือนจันเราจะศึกษาอย่างไรซึงจะรู้ว่าจิตใจของเราขัดข้องในจีนหนึ่งจีงใดเราจะต้องศึกษาจากทุกอย่างที่เราไปสัมผัสเราไปเกี่ยวข้อง เป็นตว่าเราทานอาหารมากจิตใจของเราเป็นอย่างไรในเมื่อเราทําความภาคความเพียรจิตใจจะเริงหรือเสื่อมหาที่นึกที่จะแลนาไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องของใจราษัดข้องจากเกิดอะไรเรานอนมากเป็นอย่างไรร่างกายของเราและจิตใจของเรา เราจะต้องศึกษาพูดมากเป็นอย่างไรเราจะต้องศึกษาจิตใจมีทางขัดข้องได้หลายในเหตดนั้นผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาทางวิปันาธุระยิงควรตั้งหน้าตั้งตากำหนดที่นิพจาณาจริงจังว่าจิตของเราวันนี้จเจริญดีเยือกเย็นและรวมรวมได้าตามคามประสงค์ของเรา เราทําอย่างไรเรารับอะไรเราพูดอย่างไรใส่ควานที่นี้พิ่เจรณาถึงเพียรที่จะทําจิตของตนให้เย็กเย็นเจนถุกอย่างนั้นเมื่อจิตใจในรวมรวมจิตใจสายแสจิตใจเกิดกําหนัตราค่าปัญหาต่างๆมันเกิดมาจากเพียรอะไรเราฉันอะไรเราดื่มอะไรเราพูดอะไรจิตใจจึง มาหยุดปรงยุดคิดในแง่ดีสิ่งอย่างนั้นก็ควรแต่สิ่งที่เจรนาไม่อย่างนั้นการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา จ, าจะไม่เต้าจะไม่เต้าหน้าจะเสี้ยวเวลาในการต่อพิธีปฏิบัติของตนถ้าบุคคลผู้ใดหมันที่นิทิทจเจรณาและเอาใจใส่มีปฏิ กาจัดจิตใจอยู่ทุกเวลาจะรู้ในเรื่องความเสื่อมและความเจริญของใจไม่อย่างนั้นการปฏิบัติชัดอเะ อ, ะอ ง, งเพราะอะไรก็ไม่ทราบเจริญเพราะอะไรก็ไม่ทราบแต่ความจริงนักปฏิบัติจะต้องทดสอบพ้าเอามาบวชในพระพุทธศาสนาสละจิตแต่การบานเรียนต่างๆ งานทุกสิ่งทุกอย่างเราสลับมาเพื่อจะประพฤติายบาจายใจท้องตนให้ถูกต้องตามธรรมคำตัางสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทำหนึง่งถึงว่าเวลาของเราอยู่เป็นค า, าววาไม่ใช่ได้มีโอกาสเวลาตรวจสอบจิตใจท้องตน ลอยไปตามเรื่องรับคนกดที่เหลดด้วยใจปรุงกันไม่มีวันยับยัง้งไม่มีวันพักผ่อนถ้าตายก็ตากำทำงานแยาบอยางทั้งจิตัอนจิตตามการงานและจิตด้านวัตถุภายนอกเป็นส่วนใหญ่ส่วนเพราว่าบวช เป็นพระที่สู่สามมรณ์ในพระพุทธศาสนาการงานทุกด้านเราไม่มีการแตะขําหมอกจากจะทา ง, งานด้านภายในคือการรักและถอดถอนี่เลเพิ่ม ค, คุณคุณงานทาําดีคือสติปัญญาวิชาความรู้ทางจิตทางใจให้ได้คูณขึ้น นีคือหน้าที่ของทิสุสามเณรผู้บวชในพระพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นการบวชคอยวันคอยคืนจะให้จิตมันเป็นไปเองเป็นไปในด้เราต้องปฏิบัติเอาสิ่งใดที่มันขัดข้องจิตใจของเราเราต้องพิจิตริจแลนาให้เห็นโทษของสิ่งนั้นนั้นถ้าหาก ไม่เห็นโทษจิตใจจะไม่ยอมปล่อยวางจะยินดีเรื่อยไปจิตใจของนักบวชส่วนใหญ่ที่อยู่ในคำวินัยหรือในเขตของสมณะไม่ได้อำนาจของจิตใจนักจ่ายแสบคุมไม่อยู่ลอยไปสู่เรื่องราคาตันหาผลที่สุดจิตใจถึงจะคุมไม่อยู่ แต่ก็ไม่มีเรื่องที่จะดัดแปลงจิตใจทองตนความที่จิตใจดือดึงจะต้องมีการข่มขู่หรือมีการดัดแปลงถึงจะหายไปได้เช่นลาคะของเราเกิดกำเมิเพราะรักโู้จองกันข้ายินดีกำหนัดเราก็ต้องอดนอนผ่อนอาหารลงไป ถ้าหาจิตใจยังสายแสยังไม่ลงรวมได้หรือยังดื้อดึงอยู่อย่างนี้เราจะอดให้ตายทำกันขนาดนั้นเมื่อเราอดอาหารอดนอนลงไปตัดกำลังของกายออกมาเห็นมีกำลังเรียวแรงความตำหนัก น, นั้น เราค่อยเบาลงไปใจของเรามีการกำเริบจากกายได้เหมือนกันใจเหมือนกันกันกบนายโจร น, นายโจรที่ใจร้ายากานายโจรที่เป็นคนสักหัวจริงจังเป็นจิตใจที่แข็งแก่งและที่เขามีจิตใจ ต้ า, าหารเงียมโหดอย่างนั้นจะ ต, ต้องอาศัยอาวุธของเขาและกำลังของเขาถ้าหากเขาไม่มีอาวุธไม่มีกำลังเขาก็เงียมโหดไปไม่ได้ฉันใดใจของเราเราจะพอพิจารณาได้เมื่อเราเกิดความทุกข์ร้อนท า, าทางกายเขา้าเกิดไม่สะดวกสบายทางตายเข้า เส้นเราป่วยเป็นต้นเรื่องทายนอามตำหนักยินดีต่างๆก็ค่อยหายไปหมดไปไม่ค่อยจะทำจิตทำใจให้เดือดร้อนวุ่นวายสักเท่าไหร่นม่ได้ชื่อว่าใจของเราอาศัยเรื่องของกายถ้าในนีนเรื่องของกาย ร, าร่างกายมีกำลังจิตใจก็พอที่จะทรมานได้เหตุ น, นั้นจิตใจของเราเมื่อมันดื้อดึงไม่ร ว, วมรวมหรือสายแสบไปสู่ราคาตัญหาต่างๆท่านผู้ปฏิบัติจึงมักข่มมักดักจิตใจของสนด้วยการฝึกฝนทรมานถ้ายังดื้อดึงต่อไปก็ตัดอาหารและการหลับนอนผลที่สุด เมื่อลรวดับมันอย่างนั้นมันจะตองลงรวมได้หรือหายจากความหลงคิดไปในเรื่องทายนอกนี่เป็นวิธีปฏิบัติเพราะพวกเราบวชโทรมาตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะอจากาจัดส่วนเหล่านี้ถ้าไม่ไดัดแปลงแก้ไขจิตใจก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะดีเด่นไปได้ ยิ่งบวชพอมาเทย ร, ราคาตันหายิ่งเพิ่มทยุยคูณขึ้นเนื่องจากร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเด็จากกรรมการงานมีแต่กินแต่นอนผลที่สุดจิตใจก็ับปรุงแต่งคิดนึกไปในทางโลกว่าจะทำอย่างนั้นว่าจะทำอย่างนี้ใครๆก็สู้เราไม่ได้คนทั้งโลกและผู้หญิงทั่วโลกจะชอบเราคนเดียว ไปพูกกับเขาเขาจะชอบทางนั้นมีึ่ทางเข้าใจของพวกนักบวชที่อยู่ในศาสนาในด้มักคิดอ่านไปอย่างนั้นผลที่สุดว่าตนเป็นผู้ศรีมีกำลังดีเป็นผู้ีรีมีสติปัญญาก็เลยอยู่ในศาสนาในดัชเปนทางพูดภาษา ง, ง่ายๆภาษากันเอง อยู่ในศาสนาไม่ได้อันอื่นก็พอทาเนาที่อยู่ที่อาศัยผ้ า, านุ่ ง, งผ้าห่มหรืออาหารการบริโภคขบฉับขบฉันพอเปลี่ยนไปในเรื่องผู้อยู่ในศาสนาแต่สำคัญลาคจันหาเมื่อขึ้นมาไม่มีทางจะข่มมันได้จิตใจวุ่นวายสายแสบนี่เป็นเรื่องสำคัญ เหตุนั้นพระพุทธเจ้าเลือกตูบาอาจารย์ท่านที่เคยฝึกผลตัวของท่านมาท่านเคยได้แต่ทำบมำเพนมาหลายแบบหลายอย่างจิตใจที่เสื่อมถอยท่านก็เคยประสบพบเห็นมาจิตใจที่เจริญท่านก็เคยประสบพบเห็นม า, ท, านท่านจึงพูดเต็มปากในการเนี้นำคำสอนพวกเราซึ่งเป็น สารโนสิตการกระพศอย่างไรได้ผลการประพืออย่างไรเกิดความเสียหายการจะทําลงไปทุกด้านเราต้องพิจรารณาเรื่องของเราเองถ้าหากผู้ที่ถูกในการทรมานการหลับการนอนพอเราอดหลับอดนอนเข้าทำำําำสำภาความเพียรใจเยียเย็นเงียบสงบ ถ้าหาเรานอนตามความปรารถนาของเราจิตใจของเราลงรวมยากทีนี้พิจารณาอะไรในไฟแก่มใสชัดเจนนีได้ชื่อว่าจริตนิสัยของบุคคลผู้นั้นชอบในการอดนอนถ้าหากอดนอนลงไปเกิดความง่วงเหงาหาวนอนสติเดื่อนลอยทีนี้พิจารณาอะไรไม่ได้ขอได้ความเกิดความ เสยหายแต่อย่างนั้นการอดนอนของคนนั้นไม่ค่อยจะดีอดไต่เทายิ่งขาดสติเผลอเลยคนที่ถูกในด้านการอดอาหารสมนั้นกันพออดเข้าไปแทนที่จะวิ่งบุ่นไปตามรสชาตของอาหารปรุงแต่งไปในเรื่องของอาหารไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายเหนื่อย เหื่อยหิวจริแต่จิตใจเกิดสว่างเขวจิตใจเกิดเบาสบายเข้าอดอาหารเข้าไปการหลับการนอนก็น้อยลงไปอีกอาหารเป็นสิ่งที่ทําให้เรานอนหลับสนิทอย่างหนึ่งเหมือนกันความที่ทานอาหารมากๆหรือนอนมากๆยิ่งเหลือปัญหาเรื่องหลับหักมากเป็นธรรมดาเคยเดททดสอบตัวข้องตัวมาอย่างนั้น ถ้าหากคนติดทานอาหารน้อยหรืออดหลับอดนอนเท่าเรื่องราคาการหาถอยๆไปนี่เป็นเรื่องการปฏิบัติด้านจิตใจถ้าหากไม่ฝ่าหันไม่อดทนเป็นไปไม่ได้เรื่องมรรคผลจะ ต, ต้องมีการฝ้าหารและอดทนเพราะเราบวช้ามา มุ่งหน้ามุ่งตาบังมักหังผลผู้ที่จะได้มากได้ผลท่านอดท่านทนไม่ใช่ว่าได้ง่ายง่ายและมีใจฝ้าหารในการจะทำจริงจังจะอยู่ระยะบ่ดใดจิตใจใจต่อใสจิตในขอวัดปฏิบัติทองสนในธรรมที่จะมาฝึกผล แก่ไขจิตใจอยู่สม่ำเสมอไม่ได้อยู่แบบลุ่มดาวไม่ได้อยู่แบบไม่นึกคิดจิตใจของท่านจึงได้ความรู้ความสลาในการอยู่ของท่านปัญญาจะต้องเกิดโผล่ขึ้นสิ่งที่เราไม่เคยนึกเคยคิดนึกคิดขึ้น จริงที่เราเคยิดเคยคล้องส่งออกไปนี่คือปัญญาภายในเกิดจากตัวส่วนปัญญาเกิดจากการสดับรับตางปัญญาเกิดจากสำหรับตำราที่เราเคยศึกษาเราเรียนมานั่นมันเป็นปัญญาไปหมดเฉยยนได้มากสัดจพยท่าน ท, ที่ท่านบัญญัติไว้เป็นของจริงแต่เราปูกไปเกิดปจํา ตามกำลั บ, ล บ, ล บ, ล บ, ลบกําังเป็นของความกัความไปเสียเหมือนกันกับเราเคยศึกษาเราเรียนเรื่องมัดเรื่องผลมาแต่เทวลาจิตใจของเรายังเป็นไปด้วยกิเลสปัญหามัดผลที่เราศึกษามาก็ไม่มีในจิตในใจของเราราคะโทสะโมหะเป็นแรกส่วนวิลาทะนี้โลก หรือมิตรทานถึงเราเคยศึกษามาหน้าจิตใจของเราเป็นเจ้าของกิเลสอะไรตกเข้ามาก็าเลยเป็นกิเลสไปด้วยกันทั้งหมดเหมือนกันกันกบวัตถุสิ่งของคนโสษได้อะไรมาจะเป็นหมวกกอตามรองเ้าวกอตามถ้าเสื่ออะไรกอตามเขาจะตรงเรียก ของนั้นนั้นว่าของคนโทษทางนั้นทั้งทั้งที่ของเหล่านั้นไม่เป็นโวษเป็นภัยอะไรแต่ส่วนใหญ่คือเจ้าตัวเป็นนักโทษของก็เลยเป็นของนักโทษไปหมดส่วนจิตใจก็ทำนองเดียวกันหากเรามีจิตเหลียดอยู่ในภายในถึงจะศึกษามาได้มากน้อยสัตว์อะไรพูดไปแจ่มใสชัดเจนขนาดไหน แต่จิตใจที่มีกิเลสก็ยังเป็นกิเลสอยู่อย่างนั้นจะให้หมดกิเลสจากการศึกษาตามตหราตำลา ห, หรือการสระดับรับฟังเป็นไปไม่ได้กิเลสที่จะตกออกไปหมดออกไปเกิดขึ้นจากปัญญาทางใจของเราเองถึงจะสระดับรับฟังคำจากพระพุทธเจ้าก็ท่านผูกฟังทีนี้ที่จะราา ส ต, ติปัญญาของท่านต่างหาที่ตัดขาดจากกิเลสปัญหามีใว่ว่าพระพุทธเจ้ามาตัดให้มาถอนให้มีพวกเราทัวไปที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและมีตัทตาอุตสาหพยายามเข้ามาบวชเป็นชาเป็นเนมุ่งหน้ามุ่งตา แสวงหาครูอาจารย์ตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้พูดถึงที่อยู่ที่อาศัยวัดวาอาราะที่เราอาศัยอยู่รู้สึกว่าเป็นที่สงบสงัดพอสมควรและจิตการงานของวัดก็ไม่มีอะไรที่จะจัดทำให้เหนื่อยอยากลำบาก นอกจากจะคุ้มเทกำลังถากเพียนพยายามแก้ไขเรื่องจิตใจของเราเท่านั้นถ้าแก้จิตใจไม่ได้แล้วเรื่องความเรียนบ่ายตายเกิดในวัฏจัทรสงสาลไม่ต้องสงสัยถ้าแก้จิตใจได้ในอะไรความสุขอันอื่นหมื่นแสนในโลกที่เราต้องการฝ่าถนาไม่เหมือน การที่แก้ที่เหลีอปัญหาออกจากใจผู้ที่เคยสงบสงัดจิตใจลงรวมส่วนการส่วเวลาก็พอรู้พอเข้าใจได้ว่าเรื่องความสุขของใจเป็นความสุขแต่เสริดเลื่อนลอยยิ่งกว่าความสุขของโลกไม่มีสุขอะไรที่จะสุขเลื่อนอยเหมือนกันสุขทางใจ ความเบาความสบายของกายาาปลาัวดาไม่มีในเหมือเวลาจิตของเราลงรวมไปเบาเอาเชืจริงจริงจังจังถ้าหากไม่ถอดไม่ถอนเึ้นเมือ่อใดจะอยู่สักกี่วันกี่คืนกี่เดือนก็ได้เพราะจิตส่วนนั้นไม่นึกคิดวงแต่งไปสู่สัญญาอารมณ์อะไรมีแต่ความรู้สึก เป็นหนึ่งอย่อย่างนั้นตายทั้งตายไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างไรแล้ใจเบาแบบนั้นใจสบายแบบนั้นใครเหล่ามีขายกันในประเทศไหนมีไม่เคยมีจะหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นอกจากจะปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นจึงจะรู้จะเห็นเมื่อเห็นไปจากชัดเจนว่าจิตสงบมีความสุขขนาดนี้เมื่อจิต ถอดถอนออกมาความเชื่อคือศรัท ธ, ธาของตัวที่รู้ที่เข้าใจที่เห็นแจ้งประจักษ์ที่ไม่เคยเป็นมาแต่เ ก, อก่อนก็ไม่ถอดไม่ถอนขึ้นตามเรื่องของจิตความเชื่อนั้นจะต้องตั้งมั่นแน่นอนอยู่อย่างนั้นแล้วก็อยากจะเผื่อปฏิบัติกันความขาความเพียรถุ่มเทลงไ ป, ปเผื่อปฏิบัติไปเชื่ออย่างถอนในขึ้นเพอะเอาเห็น ความสุขส่วนนั้นผู้ที่เชื่ออย่างนั้นมีใจตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตนถึงจะไม่เป็นไม่เห็นอีกในการใดสมัยหนึ่งก็จะต้องเกิดต้องเห็นอีกเพราะความเชื่อว่ามันมีมันเป็นเราทําอย่างไรซึ่งคอยได้รู้ได้คอยใจอย่างนี้ก็มีใจอยากอยากประพฤติปฏิบัติแน่นอนลงไป ไม่ถอนจิตถอนใจของตนขึ้นเป็นคนสงสัยลังเลเรื่องมรรคผลว่าตนของตนจะมีวาสนาหรือไม่ไม่คอยเดือสงสัยเพราะจิตใจได้ไปอย่างรู้เห็นธรรมส่วนนั้นเหตุนั้นการปฏิบัติจริงเป็นของสําคัญไม่มีบุคคลผู้ใดชายผู้หนึ่งในโลกที่จะมาปฏิบัติแทนตัวของเราได้การเกิดการตายอย่าเป็นถือว่าเป็นของเล็กน้อย เกิดชาติใดก็จะต้องตายชาตินั้นวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขความสบายนอกจากจิตจากใจที่จะทนไป จ, จากความเกิดความตายเมื่อไรยึงจะเป็นสุขอันใหญ่ตัวระหโหฐานแฉ่คนการจะเพื่อปฏิบัติพวกเราทุกคนจึงควรทุ่มเทแต่ทำบำเพ็ญเป็นเม็ดเป็นหนวย อย่าไปรอยหลังอย่าไปสงสัยเพราะมาผลธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าเป็นอาตาริโกุอย่างที่เราสวดธรรมวิคุณกันมาไม่มีการมีสมัยไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติในสมัยพุทธกาลที่จะรู้จะตัดสั้รู้ได้สมัยปัจจุบันเยน็นี้ตัดสั้รู้ไม่ได้อะไรมันขาดตกบกพ่องไปจึงเป็นอย่างนั้นให้เราที่นี้ที่จเจรนะิญาเดิดปัญญาของเรา จริงจังทุกข้องเรามีไหมความไม่สบายกายเนียสบายใจเคยมีไหมแต่เราเกิดมาเราคงรู้คงเข้าใจแล้วทุกความไม่สบายกายเนีสบายใจมีอยู่ในตัวของเราเมื่อทุกยังอยู่อะไรเป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์จึงเป็นอริยาศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ที่สุดในสมัยพุทธกาลรดับรับฟังกันสมมุติให้คือใจ มีความอยาก่าแก่ปัญหาต่างๆตามอาจันหาคว า, า ม, า ม, ม, าาามค่คิดติดตามเรื่องท่องกามมารมต่างๆรูก็ดือว่าสวยสดงดงามอยากกอดอยากชมเสียงก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องทิ่ภัยร้สอสน่โสดติดกันไปเป็นเพื่อเป็นทัมไป ตัณหาเกิดจากตาจากหูจากจากมูกลิน้นจากกายและจากใจเป็นูเก็บเอาไว้มาปรุงตัวของตัวอยู่ทุกวันทุกเวลา <c oughs> ไม่มีการใดสมัยใดสงบระงับได้เมื่อตัณหามีอยู่เรื่องนิโรธความดับทุกชนิดจะไม่มีอย่างไร เมื่อต้นมีอยู่ดอกผลจะต้องมี้นมันยังไม่ตายทุกสมุทัยยังเต็มใจพวกเราอยู่เมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงจังเรื่องนิโรธจะไม่โผล่ขึ้นอย่างไรจะต้องโผล่ขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะถ้าปฏิบัติถูกแล้วจะต้องเห็นผลผลเป็นเรื่องตาม เหตุมาไม่เคยว่าจะมีเห็นแล้วไร้ผลนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ลิโกอยู่อย่างนี้ควรพวกเราจะทินิทจเรณ า, ารูปที่เราไปติดข้องพอใจเป็นอย่างไรให้ทินิทิจรารณาดูอย่าเอาเรื่องชี้เลี่ตัญหาออกไปว่าให้ทิจเรณ า, าดูจริงๆแจ้งแจ้ ง, จ ง, จงผม ที่อยู่บนพีสักเราถือว่ามันสวยมันงามแต่หากหลุดหล่นออกมาใส่ภาชนะอาหารมาละคนกันกับข้าวหรือกับแกงหรือกับส่วนใดส่วต่างเราพอใจไหมมีคนหยิบผมออกจากพีศักมาทิ้งใส่ถ้าเป็นทองสวยทองงามทำไมเราไม่พอใจขนก็เหมือนกันเล็บฟัน เป็นต่ของโสดกโปกทางนั้นเห็นใดเราจรึงจะพอใจติดข้องในรูปรูปมันให้ความสุขความทุกอย่างไรรูปมันสวยมันงามมันหอมมันเหม็นอย่างไรทำไมไอ้ทนี้ที่จะได้นาจะไปหลงตามเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีวันนี้เวลาที่จะได้รับความสุขนีแต่จะได้รับทุกขเรื่อยไปมันเคยขี่หลังนั่งคอเรามาหลายพดหลายชาติแล้วเรื่องกิเลสตัณหาเราจะยอมเป็นที่ข้ายมันกี่หลังนัง่งคอ เดือยไปอย่างนี้หรืเราเป็นนักรบลูกศิษยของพระพุทธเจ้าเต้าสู้กันพิจารณากันมันจริงมันเช่ดอย่างไรต้องเอาปัญญาอย่างที่นี้พิจรารณาเสียงมันเกิดขึ้นมาแล้กวก็ดับไปถ้าเสียงอันใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีการดับแจ้อหูแตกนานแล้วอยู่ไม่ได้ ตายกันหมดพราะเสียงมันจะดังเป็นเจลือหงของมนุษย์และสัตว์แปดตายหมดแล้วนี่มันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปเปลือยใจพวกเราผู้ไปเจ็บเรื่องเหล่านั้นมาคุณนคิดอยู่ในใจเยอะกว่ามันดีอย่างนั้นเยอะกว่ามันสนนอย่างนี้คิดโกหกตัวคล้องตัวให้จิตวุ่นวายเสียตัไม่เป็นสาระประโยชน์อะไร ให้คิดตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ไขให้มีปัญญาตัดกระแสะของมันอย่าไปคิดตามกระแสของกิเลสให้คิดไปตามกระแสของธรรม